นนี้อรตมาก็จะพูดเรื่องทำไมต้องมาปฏิบัติธรรมเหตุที่เราต้องมาปฏิบัติธรรมและมาเรียนธรรมะเนี่ยก็เพื่อให้เราเห็นโลกตาฟ้าเป็นจริงเพราะถ้าเราไม่มาเรียนรู้ชีวิตด้านในเราก็จะมีการเห็นที่บิดเบือนคือเห็นโลกในสิ่งที่ไม่จริงคือสัญญาวิปลาสอัตมายยกตัวอย่างให้ฟังสัญญาวิวิปลาสเนี่ยมีอยู่สอย่างอย่างที่หนึ่ง คือเห็นของไม่เที่ยงไม่ของเที่ยงอย่างที่สองคือเห็นความทุกข์เป็นความสุขอย่างที่สามเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนอย่างที่สี่เห็นของที่ไม่งามว่างามซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยคนเราจะจะวนเวียนอยู่กับสี่อย่างเนี้แต่ถ้าบาเรียนธรรมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะเห็นตาความเป็นจริงชีวิตคนเราเนี่ยจะไม่เที่ยง เมื่อจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือตัวเราเองขณะที่เรามีชีวิตยอยู่เนี่ยจะมีสิ่งที่กําหนดไม่ได้อยู่ห้าอย่างเราไม่สามารถกําหนดได้เลยคือหนึ่งอายุอายุคนเราเนี่ยเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะมีอายุเท่าไหร่บางคนเนี่ยตายตั้งแต่อย่างเด็กตายตั้งแต่หนุ่มสาวบางคนก็ตายไวกลางคนบางคนก็อยา ก, กตายก็ยังไม่ตายบางคนอายุ ไปถึงร้อยปีก็มีไม่มีหลักประกันไม่มีใครรับรองได้ว่าทุกคนที่นั่งในที่นี้ใครจะมีอายุเท่าไหร่ถ้าเทียบโดยมาตรฐานคนเราจะมีอายุระหว่างไม่น่าเกินเจ็ดิบห้าปีโดยมาตรฐานนะถ้าเกินกว่านี้ก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตถ้านับอายุเนี่ยถ้านับเป็นวันมันจะดูชัดเจนกว่าถ้านับเป็นปีมันเหมือนดูเยอะเจดิบห้าปีถ้านับเป็นวันก็ประมาณ 27งหมพสา้อย็ดห้าวันแต่ถ้าเรานับเป็นสัปดาห์คนเราก็จะมีอายุประมาณสามพหร้อสัปดาห์แต่ลดลงมานับเป็นเดือนคนเราก็จะมีอายุเจ็ดิห้าปีเนี่ยประมาณเก้าร้อยเดือนอันนี้นับให้กับเต็มที่แล้วนะแต่ถ้าพิจารณาจริงแล้วคนเราเนี่ยกับใช้ชีวิตในการพักผ่อนหลับนอนกินดื่มขับทาย เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็หักไปอีกสักครึ่งหนึ่งเอาค่อยจริงๆแล้วชีวิตคนเราเนี่ยก็เหลือแค่ครึ่งเดียวแหละทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยได้ประมาณสี่สิบเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งก็ไปเป็นการพักผ่อนประมาณสามห้าปีสี่ปีที่เราใช้ใช้ชีวิตอยู่ได้เนี่ยถ้านับนับลดอายุลงมานะเสียเวลาแบบการนอนและพักผ่อนหักไปสิบสองชั่วโมงเนี่ยคนเราจะเหลือ อายุทนับเป็นวันจะเหลือแค่ 1, 3687วันเท่านั้นอันนี้ชักน้อยนะไม่เยอะแล้วทนับเป็นเดือนก็จะเหลือแค่450เดือนทนับเป็นสัปดาห์ก็จะเหลือแค่ 1,800 สัปดาห์ที่เรายังไม่นับรวมสิ่งอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บที่สามารถบั่นทอนชีวิตเราได้ทุกเมื่อคือตายก่อนกําหนดคนเราจะบอบายไปได้เลยเรื่องอายุ จะต้องรีบทำ ค, คุณงามความดีไว้ก่อนแล้วก็สิ่งที่กำหนดไม่ได้ข้อที่สองก็คือความเจ็บไข้วันนี้เราอาจจะสุขภาพดีแข็งแรงกินดื่มสบายแต่เราจะรู้ได้ไงวันพรุ่งนี้เราจะไม่ป่วยเราจะไม่เกิดอุบัติเหตุไม่มีหลักประกันอะไรนี้ คนเราสามารถเจ็บป่วยได้แล้วเราคุยไม่ได้ว่าเราแข็งแรงบางทีคนแข็งแรงป่วยปุ๊บอาจจะตายเลยก็ได้คนที่ป่วยออนแอเนี่ยกลายเป็นผู้มีอายุยืนก็ได้อันนี้ไม่มีหลักประกันข้อนี้สิ่งเราทําได้คือไม่ประมาทก็องรีหมั่นทําคุณความดีไว้ก่อนก็สิ่งกําหนดไม่ได้ข้อที่สามเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่มีหลักประกันเราเราไม่รู้จะตายเช้าสายบ่ายเยน็นกลางคืน หรือเวลาไหนตายได้ทุกเวล า, ถ, าถึงข่าวตายมันก็ตายไม่มีหลักประกันแล้วก็สี่ก็ตรวจไปได้ข้อที่สี่สถานที่จะตายเราก็ไม่รู้เลยจะตายที่ไหนตายต่างประเทศตายบนภูเ ข, ขาตายในน้ําแล้วก็ตายที่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้จริงเพราะว่าถึงข่าวตายมันก็ตายสถานที่จะตายเนี่ยเราก็ตรวจไม่ได้แล้วก็สี่ก็ารวจไม่ได้ข้อที่ห้าคือคติที่จะไป นี่ไม่มีหลักประกันคือเราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วบางคนทำบุญมาทั้งชีวิตแต่ก่อนตายไปคิดถึงเรื่องไม่ดีแค่เรื่องเดียวก็อาจจะลงไปทุกขติได้บางคนเนี่ยทำชั่วไปทั้งชีวิตแ ต, แต่ขนาที่ดับจิตกลับนึกถึงพระคุณพะนรตายพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือนึกถึงบุญที่เคยทำได้เราก็สามารถไปสุกติได้อันนี้ไม่มีหลักประกันสิ่งที่เราทาได้ เราก็ต้องสมันสร้างคุณงามความดีจนเป็นนิสัยแล้วก็ทำบ่อยๆทำบุญสุนทานถือศีลภาวนาช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้ทำเป็นนิสัยเนี่ยตัวนี้ก็ เ, เหมือนไปทะเบียงให้เราปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็ระลึกถึงความตายบ่อยๆว่าเรามีความ เกิดเป็นธรรมดาความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บไข้เป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราได้เกิดขึ้นกับญาติพี่น้องครอบครัวเราได้ตลอดซึ่งถ้าเราคิดบ่อยๆเนี่ยเราสามารถยอมรับความเป็นจริงได้และสามารถเผชิญกับมันได้ถ้าความตายมาถึงแต่ถ้าเกิดเราไม่ยอมรับความเป็นจริงนะเราต้องตายเนี่ยชีวิตจะดิ้นรนมากเลยเกิดความตายมาจริงๆเราจะปล่อยวางไม่ได้อันนี้ความตายไปถึงเราต้องเลิกลับบ่อยๆ อันนี้ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องกระทําด้วยเพื่อเป็นทิสัยยิ่งถ้าคิดถึงความตายทุกวันเราก็สามารถลดละเลิกปล่อยวางบางอย่างได้เพราะคนเราลึกๆแล้วจะมีความ ท, ทะเยอะทะยานอยากหาอะไรเข้ามาเยอะแยะหมดแล้วก็เราก็ต้องหาปล่อยวางในชีวิตประจำวันในเวลาที่เราสูญเสียต่างๆ สูญเสียสิ่งของสูญเสียคนรักเกิดอุบัติเหตุหรือของที่ว่าต้องสูญหายต่างๆเนี่ยคือเราฝึกปล่อยวางยอมรับความเป็นจริงคือถ้าเราหัดปล่อยวางบ่อยๆเราก็สามารถปล่อยวางได้ถ้าเกิดเรื่องใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยแมจจจนน้จิตวิญญาณที่หล่นจิตจะไปเกาะของทุกอย่างที่เรายึดถือที่เรารักซึ่งเราต้องฝึกครถ้าไม่ฝึกมาปล่อยวางไม่ได้เราจะไป ย, ยึดสิ่งที่เรารักและสี่มุมท้ายนี่ก็สําคัญมาก คือเราจะต้องหัดเจริญสติเพราะถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราก็ไม่มีไม่มีเพื่อนสติคือเพื่อนแท้ยามที่เราจะตายยามที่เราเดือดร้อนอยามที่เราทุกข์สติแก้ได้เพราะสติจะช่วยเราเนี่ยออกจากโลมความคิดปุงแต่งเพราะคนเราเจะยึดถือสมมุติว่าเป็นจริงเป็นจัง ตสติเนี่ยท้าเราเห็นเห็นสมมุติได้เพราะความคิดเนี่ยมันหลอกเราตลอดแต่ถ้ารู้สึกตัวหรือมีสติเนี่ยเราก็เหมือนตื่นจากหลับมันสามารถออกจากอารมณ์นั้นได้อารมณ์ทุกชนิดก็คือไม่จริงอ่ะคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปแต่ถ้าเรายึดเนี่ยมันก็คือจริงถ้าเราไม่เจอสติไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะไม่สามารถรู้จักเรื่องพวกวนี้ความคิดมาก็คือเรื่องจริงทุกเรื่อง สามารถทําให้เราเนี่ยไปติดคุกติดตารางเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นได้เพราะทุกเรื่องคือเรื่องจริงหมดแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเจอสติเนี่ยถึงเราหลงไม่มั่งเรากลับมาได้เร็วตามวิสัยปุถุชนที่ยังมีสติกับพ้องกับแง่มีมั่งไม่มีมั่งแต่เรื่องดีกับคนที่ไม่ฝึกถ้าไม่ฝึกเนี่ยมันจะไม่รู้จักตัวเองเลยคือจิตจะส่งออกนอกตลอด เห็นอะไรคิดอะไรก็เป็นจริงหมดซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเราต้องเรียนรู้แล้วก็สัญญาวิปลาสข้อที่สองก็คือเห็นทุกเป็นสุขอันนี้คนส่วนมากจะเป็นแบบนี้จริงๆบางคนสามารถเล่นไพ่เล่นบอลเล่นมวยเล่นการพนันทุกชนิดหรือกินเหล้าดูบุหรี่หมุกมุ่นคุค้นขี้กับเรื่องพวกนี้ หรืออยู่ตามสารเลื่อนลมต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์สูญเสียเงินสูญเสียสุขภาพแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะยึดมันว่าเนี่คือความสุขให้ค่านิยมผิดๆบางคนสามารถเล่นไพ่ได้เป็นวันเป็นคืนโดยไม่กินข้าวไม่เข้าน้ําก็มีขณะจิตใจ จ, จดจอ่อกับกับไพ่หรือจดจอ่อกับพวกมักลุกบอลมวยต่างๆเนี่ย ทำให้ลืมลืมเรื่องราวต่างๆแต่พอเลิกไปแล้วเราก็ปวดเมื่อยร่างกายหิวอะไรขึ้นมาอามาจะยกตัวอย่างให้ให้ให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นนิทานเรื่องเทวดากับนอนมีชายสองคนเป็นเพื่อนรักกันคนหนึงชื่อว่าในบุญ อีกคนหนึงชื่อว่าในดำในบุญเป็นคนที่ใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือผู้คนเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมประจำเขาชอบช่วยเหลืองานวัดส่วนในดาเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเหล้าเมายาเล่นการพนันชอบค่าสัตว์ตัดชีวิตคือจับปลาจับสัตว์อะไรมาขายแต่สองคนนี้ก็คบกันได้นะ อายุกับรุ่นเล่าข่าวเดียวกันแล้วก็ยามที่เสียชีวิตด้วยอนที่สงของบุญในบุญก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาส่วนไอ้ดามเพิ่งทาบาปประตอดชีวิตไม่เคยทำบุญกุศลเลยก็ไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในส้วมโบราณของวัดวัดหนึ่งส้วมโบราณก็หมายถึงว่าเป็นส้วมที่ไม่มีคอหาร สามารถถ่ายลงไปได้เลยหนอนนี่อายุสั้นไม่นานถ้าเกิดคือเกิดได้ตายอยู่ยนั่นแหละเพราะว่าคืชอบอย่างนั้นไม่สามารถเปลี่ยนพบภูมิได้ในบุญเม็เทวดาก็คิดถึงอยู่บางวันหนึงก็คิดถึงเพื่อนรักที่เคยคบกันมาเอ๊ะเพื่อนเราป่านนี้จะเป็นไรหนอก็อเลยใช้ฤทธิ์ของเทวดาเนี่ยตรวจดูก็รู้ว่าเพื่อนมาเกิดเป็นหนอนก็เลยคิดถึงเพื่อนอยากชวนเพื่อนมาอยู่เป็นเทวดาด้วยกัน ก็เลยลงมาหาแล้วก็ใช้ลิธิ์ของเทวดาเนี่ยให้หนอนจำตัวเองได้และลึกชาติได้หรือก็ทักทายกันเอาเพื่อนสบายดีเหรอมนเจอหนอนห น, นูหนนก็จำได้อา้าวแกพให้แต่งตัวางนั้นสบายดีไหมเทวดาบอกว่าสบายดีเราว่าจะมาชวนเพื่อนมาอยู่ด้วยกันที่ ที่ที่เราอยู่มีอาหารการกินดีดมีนางฟ้ามากมายแค่คิดอะไรเนี่ยสิ่งนั้นก็จะลอยมาหาทีซึ่งนอนได้ยินดังนั้นก็บอกว่าไม่เอาเรากองข้าอยู่นีสบายกว่าข้าไม่ต้องคิดถึงเวลาอาหารกตกมาใส่หน้าเขาเลยและสาวๆที่อยู่รอบกายค่าก็มีมากมายมหาศาล มีความสุขเพลิดเพลินทั้งวันค่าอยู่ค่าดีแล้วเจ้าสงควรมามาอยู่ร่วมมาค่า ถ, าถึงจะถูกเทวดาได้ใส่หัวในความคิดเขาหนอนคือหนอนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ปวดไม่ขึ้นคือหลงอากมากมาก็เหมือนคนเนี่ยคนที่หลงไหลในอบายมุ่ต่างๆเนี่ ย, ยจะหาทางเข้าวัดเข้าวานยาก คือควบคนน่านซะแล้วตั้งแต่ต้นซึ่งบางคนกลับตัวได้ก็สายเสียเงินเสียทรัพย์สินไปต้องมากในการเล่นการพ น, นันในการรักษาสุขภาพแต่ที่ดีก็ไม่กลับตัวมีคนคิดแบบนอนเยอะนะในโลกนี้เราจะเห็นในสนามมวยสนามมา้าหรือบ่อนสารเลือกลมต่างๆจะมีคนพวกนี้อยู่มากเลยแต่คนที่ปัญญาก็จะมาเรียนธรรมะ มาปฏิบัติธรรมเข้าวาัดเข้าว่าเพื่อพักผ่อนจิตใจแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็มีอยู่แต่ต้องอาศัยบุญบารามีเก่าๆเหมือนกัก น, นพราะถาคนไม่ไม่สร้างสมบุญบารามีเนี่ยมันจะไม่มีอุปนิสยัยมาวัดมาวา่ามาเรียนธรรมะมาปฏิบัติธรรมเลยสิ่งสําคัญเราก็ต้องคบกระยามิตรหรือคบบัณฑิตอันนี้ จะดึงเรามาเข้ามาหาสิ่งที่ดีๆได้ซึ่งคนเราเนี่ยมองเห็นความทุกข์ลหลงไหลในความทุกข์ไปความสุขเนี่ยเพราะความเห็นผิดแต่ถ้าคนเราเนี่ยเห็นว่าความทุกข์ก็คือทุกข์สุขก็คือสุขเนี่ยคือเห็นโลกตาวาเป็นจริงแล้วก็สัญญาวิปลาสข้อที่สามก็คือเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนซึ่งอันนี้ อาจจะยากสักหน่อยอันไมาใช่คำหลวงพ่อพุท ธ, ธาชัยใช้คำว่าตัวกูของกูก็แล้วกันอันนี้ยังง่ายคือว่าใครยึดถือตัวกูมากคนนั้นก็ทุกมากถ้าใครยึดถือตัวกูน้อยคนนั้นก็ทุกน้อยคือคนเราเนี่ยจะมีตัวกูของกูเนี่ยทุกๆคนแหละยิ่งถ้าคนไหนมีตัวตวนมากเนี่ยจะลำบากเพราะว่ามันจะมีปัญหามากในชีวิตประจําวันถ้าคนมีตัวตนน้อย ปัญหาก็น้อยข้อนี้เห็นได้ชัดเลยนะอย่างพวกเรามาไปฏิบัติธรรมเนี่ยเป้าหมายแรกเราก็ต้องมาละความเห็นกค่ตัวลดความเห็นกค่ตัวเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อละตัวตนให้ได้มากที่สุดอะ่ะอันนี้คือเป้าหมายหลักเลยถ้าถ้าเราปฏิบัติผิดเนี่ยตัวตนเราก็จะมากขึ้นรู้เบาอ้วเป็นใครคือหรือคิดว่าเรา ด, ดีคนอื่นคนอื่นคนอื่นหรือยังไงเก่งไม่เท่าเราเราดีที่สุด เราคนสําคัญที่จริงไม่สำคัญหรอกเพราะว่าคนเราถ้าเปรียบเทียบกับโลกก็เปรียบกับจักรวาลเนี่ยเราเป็นแค่ขี้ฝุ่นจักรวาลนั้นเองเราเไว้ส่วนหนึ่งของของจักรวาลขี้ผงเล็กๆ เ, เราตายไปก็ ม, มีไม่ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราหลงผิดคิดว่าเราสําคัญเนี่ยเราก็โอ้โหลูบ่าวัวเป็นใครเราจะกาพองโอหังซึ่งแทนที่จะลดกิเลยกลับเป็นกิเลสหนักหนักกว่าเก่าซึ่งผิดกับคนที่ตัวตัน้อยเจียมตัว อย่างน้นขายล้าตัวตัวได้บ้างแต่คนนั้นก็มีโอกาสเข้าจธรรมะได้มากถ้าคนที่ยึดตัวตนมากหรือเห็นความสําคัญตัวเองมีความสําคัญมากแล้วคนนั้นเราเรียนธรรมะยากเหมือนกับน้ําชาเต็มถ้วยไม่สามารถรับของใหม่ได้เลยตัวตนคือลดอาตาัตราคือรู้สมมุติของโลกรู้จักหัวโขนสามารถยืดหยุ่นได้ปล่อยวางได้เห็นว่าสมมุติ ตำแหน่ ง, งต่างๆเปนของสมมติหมดในโลกนี้ไม่มีเรื่องไหนเรื่องจริงเลยแม้แต่ชื่อเราเองทุกสิส่อย่างเป็นของสมมุติหมดแต่ถ้าเราวางใจให้เป็นเราก็จะยึดของสมมุติว่าเป็นจริงเราคือคนนี้คนนู้นชื่อนู้นชื่อนี้อะไรจริงหมดเลยตำแหน่ ง, งต่างๆที่ตั้งไว้บางคนก็เอาไปสอสบางคนก็เป็นรัฐบนตรีเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นนายกถ้ามองด้วยธรรมะมาจับนะจะไม่มีอะไรจริงเลยมีแต่สมมุติทางนั้น ต่กิเลสมันก็ยึดว่าจริงนะจริงแบบสมมุติแล้วถึงคราวที่เราสูญเสียมนาจเสื่อมลาบเราก็มาเสียใจดูอย่างพวกดาราหนังหรือนักล็อกดังๆเนี่ยบางช่วงค่าตัวหรือไปเล่นที่ไหนเนี่ยได้ เ, เงินมากมายพอถึงคราวที่ชื่อเสียงลดลงเนี่ยก็จะเสียใจละคือไปหลงไหลความสาเร็จในอดี มีหลายคนที่ว่าเสียผู้เสียคนไปก็มียามที่ตัวเองไม่ได้รับความนิยมคือทาอําใจยากบางคนค่าตัวตายไปก็มีเพราะไม่เข้าใจธรรมะเพราะโลกธรรมเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่าเนี้ยเป็นสิ่งที่เราอ่ะจะต้องเผชิญไม่มีใครหลีกเลี่ยงโลกธรรมได้ถ้าเราเข้าใจโลกธรรมเนี่ยชีวิตเราก็ไม่ทุกข์มากถ้าเรามองเห็นโลกธรรมตามควาเป็นจริงเราก็สามารถปล่อยวางได้และอยู่ในโลกนี้ได้คือรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่คงที่ ยามีแล้วก็ยอมรับในการมียามเสียเรายอมรับในการเสียทําใจได้ชีวิตเราก็อยู่ในโลกนี้ได้ยังมีความสุขแล้วก็ไม่ทุกข์มากแล้วก็มาสัญญาวิปลาสข้อที่สี่คือเห็นของไม่งามว่างามถ้าเราสังเกตให้ดีดร่างกายทั้งคนเราเนี่ยจะมีหนังหุ้มอยู่รอบตั้งแต่ปลายเท้าถึงศรีรษะแต่ถ้าเราไม่สังเกตเราจะเห็นว่าเป็นของสวย บางคนหน้าตาสวยมากเลยเห็นแล้วหน้าลหลงไหลแต่เราสังเกตให้ดีเนี่ยจะมีขี้เหงือคขี้คายขี้หัวขี้หูขี้มูกขี้ตาแล้วก็ขี้ปากขี้เล็บอุจจาระปัสสวะอันนี้สิ่งที่ตามองเห็นได้แล้วสิ่งสิ่งข้างในกะตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำหนองต่างๆอีกมากมาย ซึ่งไม่สะอาดมีแต่ของสปกปรกบางครั้งจิตมันก็หลอกนะหลอกให้เราเห็นของสวยงามลงหลงไหลคลั่งไคลแต่มองโลกตาความจริงแล้วเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยสปกปรกมากแค่เราไม่อาบน้ําแค่วันสองวันเนี่ยเพื่อนก็ไม่อยากเข้าใกล้แล้วเหม็นหรือไม่แปรงฟันสักวันสองวันเนี่ยเพื่อนก็ใส่ายหัวแล้วหรือเสื้อผ้าไม่ซัก อย่าธรรมดาได้ผู้เสื้อผ้าต่างๆของใช้เนี่ยมันของสะอาดอยู่แล้วนะแต่มา อ, อยู่กับเรามาใช้เอามาสวมใส่เนี่ยมาถึงได้เหม็นเหม็นจากเหงื่อของเราที่ขับออกมาแล้ร่างกายคนเราเนี่ยถ้าพิา จ, จ, จริงเนี่ยก็จะมีแต่สิ่งสกปรกไม่น่าลุ่มหลงแต่กิเลส น, น่ะมันชวนให้ลุ่มหลง เพราะฉะนั้นเราต้องมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้มองเห็นโลกตาภาพเป็นจริงอย่างครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยอย่างหลวงพ่อจวนวัดภูทอกจังหวัดนองคายคือท่านก็มีบายของท่านนะตอนที่ท่านเป็นหนุ่มๆยังไม่ได้บวชท่านหลงรักสาวอยู่คนหนึ่งแต่ท่านมีปัญญาท่านก็เออหลงรักท่านก็ไปแอ บ, บดูผู้หญิงคนค น, นี้ที่เพราะตามชนบทสมัยก่อนเนี่ย เขาจะไปขี่ที่ที่บ้านตัวเองนะเขาจะไปขี่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาะตามป่าละเมาะท่านก็สะกดรอยตามไปพอผู้หญิงคนนี้ขี่เสร็จท่านก็ไปดูขี่ที่ผู่หญิงคนนี้ขี่ท่านก็สังเกตเห็นมีตัวหนอตัวพยาธิต่างๆแล้วก็ไปกิ่นต่างๆท่านบอกโอ้ oh, เราเนี่ถ้าเรารักเขาเนี่ยเราต้องรักขี่ก็ด้วยแล้วก็พิจารณาไปพิจารณามา แต่ถ้าไม่ได้มองขี้ผู้หญิงคนนี้คนเดียวนะถ้าก็มองขี้ผู้หญิงคนอื่นด้วยอยู่หลายครั้งขี้ของผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีพยาธแต่ก็เหม็นเหมือนเหมือนเรานี่แหละตอนหลังท่านเลยตัดใจบวชต่อชีวิตเพราะท่านรู้ว่าร่างกายคนเราเนี่ยสกปรกไม่น่ารุ่มหลงอันนี้เป็น อ, อุบายและปัญญาของหลวงพ่อจวน หลวงพ่อชาก็เหมือนกันหลวงพ่อชาเนี่ยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีพระฝรั่งพระฝรั่งเลยคิดถึงแฟนมากแฟนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็หลวงพ่อชาก็รู้ไทันทีว่าพระฝรั่งรูปนี้ยคิดถึงแฟนท่านเคยเข้ามาหาแล้วมาคุยด้วยบอกปัญหา ปัญหาของของท่านเนี่ยเราจัด ก, การได้เขียนจดหมายไปหาเธอสิลูกศิษย์ที่เป็พระว่าหลังก็บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เลอหลวงพ่อไม่อาบัติเหรอไม่ไม่แน่นอนหลวงพ่ชาบอกรับรองเพียงแต่ท่านเขียนไปบอกว่าให้เธอส่ง ส่งขี้มาให้แล้วใส่ขวดใส่ขวดไว้เวลาท่านคิดถึงเธอท่านก็เอาเปิดเปิดขวดขี้มาสูดดมทุกครั้งที่คิดถึงพอได้ฟังดังนั้นพระฝรั่งรูปนั้นก็ฟามรังจวนที่คิดถึงคนรักหายหมดสิ้นเลยพระอุบาลคู่บาอาจารย์ซึ่งทำให้ครูบาอาจารย์บางคนเนี่ยวบวชได้บวชได้ตลอ ด, ดชีวิต เพราะถ้ามีอุบายในการพิจารณาพินายเห็นโลกตาความเป็นจริงอุษัญญาวิบลราสี่อย่างเนี่ยถ้าคนไม่เรียนธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมองข้ามไปเลยเพราะอยู่ใกล้ตัวมากเพราะเดี๋ยวถึงเราคิดได้เดี๋ยวกิเลสมันก็หลอกอีกกิเลสมันก็บังอีก อย่างโลกของเราเนี่ยที่จริงแล้วเรามาอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่ถ้ากิเลสมันก็หลอกให้เราอยู่ถาวรน่ะอยู่เพื่อคราวถ้าถ้าเปรียบกับโรงแรมก็โลกเนี่ยเ ป, เป็นโรงแรมคือเรามีบุญแล้วมีบาปไปค่าเช่าพอค่าเช่าเราหมดเนี่ยเขาก็ไล่เราออกแล้วแม่อยู่แล้วให้โลกเราเนี่จึงมาสายชั่วคราวเรามายึดหักหลักในโลกนี้ไม่ได้หรอก บางคนเนี่ยการมาสร้างรสร้างตัวหาเงินหาทรัพย์สินหายได้มากที่สุดพอตายไปเนี่ยเราไม่สามารถเอาสมบัติของโลกไปได้ไหมได้ชิ้นเดียวเราต้องเราก็ยกให้โลกไปร่างกายกระดูกทุกอย่างเป็นของสมบัติของโลกหมดไม่มีสมบัติของเราเองเลยเรามีสิทธิแค่ยืมใช้ชั่วคราวเท่านั้นทุกคนในที่นี้เป็นสมบัติของโลกหมดหรือใครจะเถียงก็ไม่จริง พอตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ต้องทิ้งไว้ให้โลกสิ่งที่เราไปได้ก็คือบุญกุศลพทเจ้านะพระ อ, องค์เห็นทางออกจากโลกท่านก็มาชี้ให้พวกเราเนี่ยเดินตามคือพระ อ, องค์เนี่ยถ้าจะเปียกก็เปียบเหบือน เหมือนลูกไก่ตัวแรกที่กระเทาะเปลือกโลกออกมาได้คือวิชาอิสระไม่เป็นทาาของโลกไม่เป็นทาาของพญามารปิสระแล้วพระองค์ก็มามาชี้นําให้พวกเราเนี่ยเดินตามให้เราทุกคนเนี่ยออกจากว่าตาสงสารได้คือเห็นทุก์มองโลกตาฟาเป็นจริงแต่พวกเราทําให้เห็นทุกเราก็อยากอยู่ในโลกนะแล้วเราก็ เราจะออกมาทําไมอย่างนอนก็เกิดเป็นหนอนอยู่นั่นแหละบางสาัตว์บางชนิดเนี่ยจะชอบในพบภูมิที่ตัวเองเป็นอยู่อย่างไก่ก็ยังเป็นไก่อยู่นั่นแหละอย่างเมื่อก่อนขุประจาร บ, บางท่านแลลึกชาติได้เคยไปเกิดเป็นไก่ก็เป็นอยู่นั่นแหละหลายชาติคือมันลึกๆแล้วมันมีฟาร์มชอบในพบภูมิตัวเองอยู่คือหลงไหลซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะออกจากพบภูมินั้นบางทีต้องมีผู้รู้มาบอก ผู้รู้ก็คือกายามิตรกายามิตก็คือผู้ทีเจ้าแหละถ้าเราครบผู้ทีเจ้าเนี่ยเราสามารถออกจากกองทุกได้ครบพระผู้รอเจ้าครบคูบาจาที่เป็นบัณฑิตครบผู้รู้พอเราเราครบท่านเนี่ยเราบิทธาเราก็ได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมปุ๊บเนี่ยเราก็เกิดโยนโศมรสีการแล้วก็เกิดการสํารวจยินทรีย์แล้วมีสติได้อันนี้เป็นทางเลยดงนั้นการครบกายามิตจึงจะมีสิ่งที่สําคัญมาก กัญญาณิสสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยสามารถทาให้เราเห็นโลกตาความเป็นจริงให้กําลังใจเราให้พ้นจากกองทุกข์ได้แต่เราไม่มีสิ่งเนี้ยเราก็จะหลงไหลเราก็เชื่อความคิดเราก็ทุกข์ตลอดกาลเกิดแล้วเกิดอีกไม่สามารถเห็นทุกข์และไม่คิดออกจากทุกข์ด้วยการที่เราไปเจอสติเนี่ยจะมีนิสงมากทําให้เราเนี่ย เห็นความคิดได้พอเห็นความคิดได้ทิฏฐิเราก็เปลี่ยนความเห็นเราก็เปลี่ยนจากเคยเชื่อเคยยึดอะไรไว้พวกโยบว่าขยานันไปบำบัดไปพวกพระด้วยเพราะถ้าเราทําไปมันจะมีนิสงขอมันทําบ่อยๆขยันก็ทําขี้เกียจก็ทําทําจะทําไปจนเป็นนิสัยใครจะเห็นไม่เห็นก็อยู่ที่บุญบรารมีของแต่ละคนก็รสร้างเหตุให้ดีวันนี้วันหน้าก็ดีถ้าเราไม่สร้างมันก็ไม่มี บางคนเคฝึกมาหลายภพหลายชาติแล้วถ้าถามก็ง่ายบางคนไม่เคยฝึกเลยมันรับหนึ่งเราก็ต้องเริ่มทําคือเราต้องไม่ประมาทเพราะความตายอาจจะมาหาเยือเราเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีหลักประกันเราต้องเตรียมพร้อมรับมือมีสติเท่านั้นแหละที่จะช่วยเราได้ทุกเรื่องและเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนแท้ที่เราต้องเราต้องพึ่งพาอาศัยกันอมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาเดี๋ยวปิดท้ายด้วยก่อน ธรรมารบปรุณสุริโยไทยไขยแสงใกล้แจ้งแล้วฝูงวิหกเชื่อเจ้าสแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภาหมู่ปักษายังขยันมั่นหากินท่านที่รักจะซบนอนอยู่ใ ย, ยเล่าตื่นแต่เช้าเพื่อเกาจิตเป็นนิจสินสแสวงหาธรรมประสัมมาเป็นอาจิน